หงอนง่ายขึ้นเนยะมันถอดออกแล้วรู้สึกไหมเหมือนมันหลุดออกมารู้สึกแทบตายเลยยอมถอดจะหลบฝึกได้อย่างนี้หายากนะส่วนตัวจะตายเข้าจริงๆเลยหลุดออกมาอย่างนี้ปล่อยชิ้นเลยนนที่ว่าวิมุตติมุตติมันหลุด ใจไม่ได้เกาะไม่เกาะกับรูปธรรมนามธรรมใจไม่เกาะขันใจไม้ส่งเข้าไปสมมากเรากลัวส่งนอกนะจริงๆส่งในด้านกว่าส่งนอกส่งในเขาไปทำงานส่งในไปทำงานทุกเกิด เบื้องต้นหัดมันต้องหัดดูสภาวะให้ออกเนี่พอดูสภาวะออกแล้วใจมันปล่อยือพอปัญญามันกล้าขึ้นมันปล่อยปล่อยเรื่อยในสุดเราจะเห็นเลยว่าความทุกข์เกิดจากจิตนั้นมันหลงเข้าไปเข้าไปยึดถือเข้าไปทํางานไอ้ตัณหาที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นใจยังไม่เท่าไหร่ตัณหาเกิดทางใจ ปัญหาของนักปฏิบัติเนี่แหละตัวดีที่สุดเลยพอเป็นนักปฏิบัติขึ้นมาแล้วส่งใจเข้าไปทํางานความทุกข์ก็เกิดนี้เบื้องต้นมันก็จําเป็นต้องทํำซะก่อนเพราะว่าจิตของเราเนี้ยมันแอบไปทํางานทั้งวันนะเราไม่เคยเห็นมันเบื้องต้นครูบาอาจารย์เขพาทําอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนได้จะได้หัดสังเกตมันคือจงใจทํามันซะเองเลยอย่าง ทางหลวงพระเทียนท่านก็ขยับไม้ขยับมือไปทางสำนักทางนี้เขาก็ดูท้องทองท้องยุบเลยไปหางานทําไว้อันหนึ่งก่อนทางวัดป่าเราก็พุโทโธไปหายใจไปอะไพอจิตใจมันมรวมลงมาทํางานอันเดียวนั้นนี่ค่อยสังเกตรู้ทันมันรู้ทันมันเลิกทํางานนี้ทํางานไม่ใช่เพื่อจะทําไปเรื่อยๆตลอดชีวิตทํางานเพื่อจะได้รู้ทันว่าตอนนี้ยจิตใจแอบไปทํางานอยู่ ปิดใจแอบไปทํางานหนีไปคิดหนีไปปฏิบัติรู้สึกไหมว่าตอนนี้ผิดปกติแล้วเนี่ยคือสิ่งที่นักปฏิบัติเราพลาดกันนะเราพูดกันตรงไปตรงมาไม่ว่าสํานักไหนก็เหมือนเหมือนกันคือแทนที่เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรากลับไปทํามันขึ้นมาจงใจสร้างสภาวะบางอย่างทําใจให้มันแข็งแข็งทื่อือนิ่งนิ่งอะไรขึ้นมาเราคิดว่านั่นคือการปฏิบัติ ใหม่ๆหัดอย่างนั้นก่อนก็ไม่เป็นไรหรอกแต่หัดไปแล้วต้องคอยรู้ให้ทันนะว่าจงใจไปสร้างขึ้นมาแล้วจิตใจผิดปกติแล้วผิดธรรมชาติรู้สึกตัวเนีจยรู้สึกไปง่ายๆแค่นี้แหละจะยักหน้าก็รู้สึกไปนะแต่ไม่ใช่นั่งจ้องอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะอย่างแกล้งทำเลยใจแข็งๆทื่อๆใช้ไม่ได้หรอกต้องรู้สึกตัวจริงๆไม่ได้แกล้งทำขึ้นมา แน่ใจนี่ไปสังเกตดูออกไหมหลงไปคิดคิดแล้วก็ชำเลืองมันสหน่อยหัดรู้ให้ทันเลยนั่นแอบไปทํางานเนี่ยทํางานทราบไหมให้รู้ทันความปรุงแต่งนะไม่ใช่ไปปรุงแต่งซะเองนให้รู้ทันความปรุงแต่งให้รู้ทันการทํางานของจิตใจของเรามันแอบไปทํางานให้รู้ทันมัน คนทั่วๆไปที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยใจหนีไปทํางานเจ้าของไม่เคยเห็นนี่นักปฏิบัติเนี่ยจงใจจงใจทํางานทําใจนิ่งๆแน่นๆหนักๆแล้วจ้องเอาไว้ถ้าเกิดไปรู้ทันว่านี่ก็จงใจสร้างขึ้นมาใจปล่อยออกมาาใจปล่อยออกไปได้แล้วถึงจะรู้ตัวตามความเป็นจริงได้ทํางานอยู่ทราบไหม ต้องใจถึงนะปฏิบัติทำกล้าหารโยนทิ้งไปเลยคราว น, นี้ลองขยับตัวด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่ขยับอย่างนี้ไม่เอานะฮะอนี้ของเกมหมดเลยหนะลวงพ่อเทียนก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นนี้ถ้าเราเรียนจากหลวงพ่อเทียนเราเรียนได้ขยับได้สิบสี่จังหวะใช่ไหมสิบสี่จังหวะเราขยับได้เราได้แต่เปลือกมัน แต่แก่นแท้คือสภาวะของจิตเนี่ยยังไม่เหมือนหลวงพ่อเจียนหลวงพ่อเทียนขยับแล้วตื่นแต่เราขยับแล้วเกร็งไปหมดเลยแข็งแข็งใจหนักหนักใจแน่นๆ่นอันเนี้ยเราแปปลอมแปลงขึ้นมางั้นถ้าใจแน่นขึ้นมานิดหนึ่งนะรีบหยุดไว้ก่อนแอบไปทํางานแนละ้วรีบรู้ทันทําทพอรู้ทันเนี่ยจิตใจจะหลุดออกมาถอดถอนออกมาเกิดความรู้สึกตัวจริงๆขึ้นมา ความรู้สึกตัวตัวจริงเกิดขึ้นจะรู้เลยว่าในใจไม่มีน้ําหนักสักนิดเดียวเลยเนี่ยใจมันก็มีน้ําหนักทราบไหมเนี่ยของปลอมมันเกิดขึ้นมาเกิดจากอะไรเกิดจากเราจงใจไปปฏิบัติเข้าพยายามสังเกตมันอยู่ทราบไหมให้ทราบว่าสังเกตไม่ต้องไปรู้ว่าสังเกตอะไรนะส่วนมากเราจะละเลยแล้วส่งใจเข้าไปข้างในก่อนฟ้องด้วยนะ เราชับส่งใจเข้าไปข้างในแล้วไปทํางานอยู่ข้างในเราคิดว่านั่นคือการปฏิบัติบางทีนั่นส่งจิตเข้าข้างในไปแล้วหลวงปู่เทศเรียกส่งในจิตก็ไปทํางานจิตก็เกิดความทุกข์แต่ถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้นทางว่าเราส่งจิตเข้าไปถ้ารู้ว่าส่งจิตเข้าไปเนี่ยการส่งไม่มีขึ้นมาการปรุงแต่งภายในไม่เกิดขึ้นมาเห็นไหมเข้าไปแล้วเห็นไหมอยู่ข้างนอกดีๆก็เข้าข้างในดูออกไหม อย่าหลงเข้าไปส่วนมากเราคิดว่าส่งจิตเข้าข้างในนี่คือปฏิบัติจริงๆหลงาจะให้เข้าไปให้รู้ทันตอนที่มันเข้าไปนะถ้าจะขยับแบบลวงพ่อเกียนขยับเพื่อจะปลุกตัวเองให้ตื่นสังเกตไหมตรงนั้นคล้ายๆเราเข้าไปฝันนะนั่นน่ะหลับไม่ใช่ตื่นนะ นั่นหน้าที่เราปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาจริงๆครูบาอาจารย์พยายามสอนให้ตื่นแต่เราชอบส่งใจเข้าไปข้างในแล้วก็ไปฝันอยู่ข้างในไปฝันเรื่องปฏิบัติออโ อ, อ, อ, โอหาไม่ได้ ร, รู้ที่ใจเรานะใจเราไม่เป็นกลางใจเราอยากออกมา เอามีความอยากก็ยังทำงานทำงานก็ยังทุกอยู่ถ้ารู้ทันเลยว่าเนี่ยกำลังอยากหลุดออกมาละรู้ว่าอยากนะความอยากขาดไปใจเป็นกลางหลุดทันทีเลยแต่ถ้าอยากหลุดโอ้ดิ้นขลุกขลักคลุกขลักอยากหลุดออกมาไม่หลุดหรอกเพราะว่ายังมีตันหาอยู่ใจยังส่งออกไปอยู่แต่ถ้ารู้ทันว่ามันอยากอยู่นะความอยากหายไปใจก็หลุดออกมาเลยง่ายง่ายที่สุดเลย ไม่ทำอะไรง่ายนี่ต้องอย่างนี้นะถึงค่อยสมเป็นลูกฝิดหลวงพ่อเทียนได้ต้องรู้สึกตัวไม่ใช่น้อมใจเขาไปซึมอยู่ข้างในใช้ไม่ได้นะน้อมไปเพ่งอยู่ข้างในอ่ะขึ้นมาขึ้นมาออกมาเลยดูออกไหมนั่นหลงนะหลงเข้าข้างในนี่หลงไปคลนละหนีไปเลยคราวนี้เอาไม่เลิกคิด กลไม่ฉลาดเนอะเชื่อหคิดไม่ต้องกลัวโง่นะปฏิบัติปฏิบัติต โ, งโง่โง่นั่นแหละดีมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นไงั้นไม่ต้องคิดมากง่ายง่ายไอ้ที่ปฏิบัติยากก็เพราะคิดมากไม่เลิกเคิดว่าเลิกทำหรือยังดูออกไหมว่าทะ <Okay. S 1> ห, หัดดูไปนะพอมันลงมือทำนะได้รู้ไวๆพอรู้ไวๆรู้ทันมันเฉยเฉยอย่าไปยุ่งกับมัน อย่าไปอยากแก้แค่รู้ทันมันก็หลุดออกมาแล้วอย่าไปหาเอานะหาไม่ได้ธรรมะนี่เป็นของแปลกยิ่งหายิ่งไม่เจอยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ยิ่งคิดมากยิ่งหาไม่เจอเลยนะยิ่งหลงหนักกว่าเก่าอีกไม่ต้องคิดมากรู้สึกเอาอย่าเผลออย่าใจลอยไปเนะีนะ่ยคุณเสื้อสีน้ำเงินอนะ่ะเผลอไปแล้วไหม เออเฝอบ่อยดีนะอย่าเฝอนานเฝอบ่อยบ่อยดีเฝอวันหนึ่งให้ได้พันครั้งนะเฝ อ, อ, อแวบแล้วรู้แวบแล้วรู้ในโลกกมันเฝอเวละครั้งแวบเช้ายันเย็นเลยนะเฝอตั้งแต่เช้ายันเย็นอย่างนี้ก็ไม่เอานะพอเข้าใจไหมนะถ้าเข้าใจเราก็กลับไปทำได้นะเราง่ายง่ายจริง เราอยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดองหนึ่งเลยนะวิชาความรู้ที่หลวงพ่อเทียนสอนให้เราไม่เป็นรองใครนะต้องบอกว่าสุดยอดวิชาขแขนงหนึ่งเหมือนกันนะนี่เราต้องเรียนให้ได้แก่นวิชาของครูบาอาจารย์อย่างนี้ไม่ใช่อีกแล้วเนี่ยเห็นไหมชำเลืองเข้าไปทันทีเลยด้วยความเคยชินหยัดปฏิบัตินะส่งใจเข้าข้างในเรื่อย เรคิดว่าต้องส่งเขาไปอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติที่จริงท่านไม่ได้บอกใช่ไม้มว่าให้ส่งจิตไปไว้ที่ไหนหลวงพ่อเทียนไม่เคยสอนนะไม่เคยได้ยินแล้วบอกให้ตื่นขึ้นมาฝันฝนะ <c oughs> ันไม่เลิกฝ <c oughs> ันซ้ำอหกนะ <c oughs> อ๋อตื่นตื่นขึ้นมาอย่างนี้เลย <c oughs> จะปฏิบัติต้องใจถึงนะใจถึงลงราง่ายรู้ลูกเดียวเลย ไม่ได้ไปทำอะไรขึ้นมาเอาอย่าคิดมากเนอะมีคนเคยถามหลวงปู่ดูลว่าอยากเรียนวิธีปฏิบัติเอาที่สั้นๆเลยนะสั้นที่สุดเลยเพราะเวลาน้อยสั้นๆหลวงปู่ดูลบอกอยากส่งจิตออกนอกคำว่าอยากส่งจิตออกนอกเนี่ยก็คือหลุดออกไปจากความรู้สึกตัวนั่นเองเสียความเป็นกลางไป หลวงปู่เทศแยกเป็นสองงานเรียกส่งนอกกับส่งในหลวงปู่ดูลเรียกส่งนอกหมดแหละของเราเดี๋ยวก็ส่งเข้าไปข้างในไปปฏิบัติเนี๋ยวก็ส่งไปข้างนอกหลุดไปเลยหายไปเลยทั้งสองงานนี้ผิดทั้งคู่จิตที่รู้สึกตัวจริงๆไม่มีนอกมีในอะไรหรอกเป็นกลางกลางหลวงปู่เทศเรียกว่าใจเอใจเป็นกลางกลางแจิตนี่ยังมีนอกมีใน นี้ไปทํางานเห็น ไ, ไหมดูออกไหมตรงนั้นที่เราไปดูไม่ใช่จิตเรานะจิตเราคือคนไปดูงั้นอย่าหลงเข้าไปนั่นเสื้อแดงนั่นหลงไปแล้วตรงนี้เข้าใจไหมถ้าที่หลวงพ่อบอกอ่ะดูออกรู้ไหมว่าหลงไปเมื่อกี้เนี้ยดว อ, อกแล้วปฏิบัติไม่ยากหรอก าการปฏิบัติเราต้องเห็นสภาวะจริงๆจิตเราหลงไปก็รู้ทันมันมันหนีไปคิดก็รู้ทันมันมันหนีไปดูก็รู้ทันมันมันหนีไปปฏิบัติก็รู้ทันมันส่วนใหญ่นักปฏิบัติจะเสร็จตรงนี้หมดเลยจิตแอบไปปฏิบัติไม่เคยเห็นเลยคิดว่าดีซะอีกทั้งทั้งที่พอลงมือปฏิบัติความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแล้วแม่คุณเลิศหมูนี้ดีเนะรู้สึกแปนะดีละ ดีกระใจเราฟุ้งฟุ้งไปเรื่อยๆนี้นมีแต่ทุกข์ด <s> ีร <s> ู้สึกไหมนี่ไม่เลิกทําม่ใช่จานละมัลาเคาะนะไม่เอานะเออแค่เนี้ยสังเกตไหมตรงนี้ไม่มีนอกไม่มีไหนเนี่ยเข้าเข้าไปในคิดแล้วหลุดเข้าไปในคิดแล้วในรู้เนี่ไม่มีข้างนอกข้างใน เอออกมาเนอะออกมาอย่างนั้นก็ไม่ได้นะเนี่ยที่ถูกทำไม่ได้ทำทีไรผิดหมดนี่ถูกคือไม่ทำอะไระแต่ใจมันแอบทำดูออกไหม <Okay. S 1> อ๋อใจมันแอบไปทำแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันแนละ้วเราไปช่วยมันทำไม่ต้องช่วยมันอะไรนะเร็วสิ เวลาเขาไปเกิดเขาเลยใช้ขณะจิตเดียวไปเกิดแวบเดียวเ็ไปเกิดใหม่แล้วงั้นเร็วเนี่ยหลงอีกแนละ้วรู้ไหมแค่นี้ก็หลงนะเห็นไหมเที่ยวหาไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆดูออกไหมใช่ใช่โยนมันจิ้งไปแล้วรู้สึกขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาใหม่อย่าไปเที่ยวหามันนะหาไม่ได้ ตอนนี้รู้ไม่เพ่งไั้เออตรงนี้รู้เห็นไหมรู้อยู่แค่นี้เองไม่เห็นยากอะไรเลยมันอยู่ตรงที่รู้ทันอ่ะพอเราเพ่งอยู่ปุ๊บเรารู้ทันว่าเพ่งอยู่นะมันก็หลุดออกมาเลยตรงนั้นคือรู้แล้วนะดีนะออยยังไม่เสียชื่อการไปเทก็ไปทบไเยอะใช่อืมดีดีนะตอนมาใหม่ๆยังเป๋อยู่ ถ้าปกติถ้าอยู่ในห้องจะไม่ค่อยกล้าทาสมาธิเท่าไหร่แล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่ยิ่งยไม่เป็นไรทําได้สมาธินะอย่าทำให้เป็นสัมมาสมาธิอย่าทํามิจฉาสมาธิส่วนใหญ่ที่ทํากันมันเป็นมิจฉาสมาธินั่งแล้วเคลิ้มเห็นโน่นเห็นนี่ใช้ไม่ได้นะโน่นใจลอยไปละโน้นรู้สึกตัวไวเอยะเผลอไป อะไรนะอเออมันธรรมชาติเนี่ยจิตใจอย่างเงี้ยจำได้ไหมจิตจอย่างนี้เองไม่ได้ทำอะไรอะ่ะฝึกไปฝึกจนกระทั่งมันถอดถอนตัวเองออกจากการทำงานออการทำงานเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าภพ เ, ออเคยได้ยินคำว่าภพไหมสร้างภพสร้างชาติมีภพก็มีทุกข์พอสำเภาพอผ่านภพภพแปลว่าการทำงานการกระทำกรรม ที่ทำโดยจงใจกระทำเบื้องหลังความจงใจก็ที่ตัณหาอยากปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติเอาจิตไปจ้องไว้ข้างในเนี่ก็หลงแล้วสนุกไหมไม่ยอมเลิกอืมเออมันเคยชิ น, ออ น, ชนถูกต้องคำว่าเคยชินเนี่ยภาษาบาลีว่าอนุใส จิตของเราเคยชินยังไงมันก็จะไหลไปตามความเคยชินเคยโกรธคนไหนเคยโกรธบ่อยมันก็จะโกรธบ่อยเคยโลภก็โลภ บ, บ่อยเคยหลงก็หลงบ่อยเคยปฏิบัติก็ปฏิบัติบ่อยกลายเป็นหลงปฏิบัติแหละทําแล้วทราบไหมใจถึงนะโยนทิ้งเลยแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วขยับไปอย่างที่หลวงพ่อเทียนสอนขยับไปด้วยความรู้สึกตัว หนีไม่คิดไม่เอานะอ ย, าอย่าไปสังเกตมันจิตมันแอบทำงานนี้เดี๋ยวก็รู้ทันมันเลยดีนะอ๋อยเอาขึ้นมาไงปองวิ่งไปดูเขาด้วย <c oughs> ดีแล้วบอยดูไปแล้วคุณบนเลยกลัวอะไรยรอใช้ได้ดูฟป โก้ส่งกันบ้านไหมโก้รู้ตัวได้บ่อยไหมข้างหลังรู้บ่อยๆนะรู้แล้วมีความสุขรู้แล้วมันมีปัญญาเกิดปัญญารู้ว่าความทุกข์เกิดจากอะไรความทุกข์เกิดจากความอยากอยากปฏิบัติก็ทุกข์นะอยากปฏิบัติแล้วก็ไปสร้างพบคือไปสร้างการกระทาขึ้นมาทางใจ ทำใจทื่อๆเงี้ยเทุกหน่อยๆก็ดีกว่าคนที่เขาหลงไปเลยนะนี่เราเป็นหลงหลงดีหลงแบบนักปฏิบัติเอาชาวเชียงรายตื่นห้ามหนีไปฝันเนอะอฝันต่อหน้าต่อ ต, อตายคนะ<ช>่ะเนี่ยทาใจอย่างนี้ได้ไหม ใจอย่างนี้เองนะไม่เข้าไปข้างในรู้สึกเฉยๆอย่างงี้ก็เลือกที่นั่งนี้เองนะใครเขาก็นั่งเขาก็เก่งทั้งนั้นแหละนี่ก็เก่งนะแต่ยังเกรงเลยหนูนาว่าไงหนูนาหนูนารู้ไหมมันทํา เออแช่ไม่ดีนะเราลงไปแช่รีบรู้ไวๆที่เราลงไปทําเนี่ยเราลงไปนอนแช่ไว้ไม่เอาน ะ, ะยัยามตื่นขึ้นมาสังเกตเป็นมวนาหรอให้รู้ทันส่วนใจบางทีไปภูมิใจด้วยซ้ำไปว่าแช่ได้นานแสดงว่าปฏิบัติ ด, ดีเออนั่นทุกข์มันเกิดแหละเรื่องอะไรต้องทุกข์อ่ะถ้าลงมันแช่นานๆนะ เลิกเลยหัวเราะดังๆทีหนึ่งมันก็หายแล้วบางทีบางทีแค่จจิตมันเอมันรู้สึกแล้วมันก็คลายมันก็เบาแล้วเดี๋ยวมันก็ลงอืมรู้ให้ทันตั้งแต่ตอนที่มันจะลงอ่ะเห็นไหมก่อนจะลงนี่นะมันแอบไปดูก่อนมันมันเกิดความคันๆในหัวใจเราอยากจะได้ปฏิบัติอ่ะปฏิบัติมันคันๆขึ้นมานิดนึงแล้วมันก็ค่อยๆแอบไปดูพอแอบไปดูนั้นใจก็ไหลตามเข้าไป สนมากเขาเก ค, คิดว่านอนแช่ลงไปแล้วดีไม่ดีนะอย่าแช่เสียเวลาเนี่ยเราทําอย่างเนี้ยมันถึงลงไปแช่ <c oughs> เ อ, อีความเคยชินนะเรื่อัอนุสัยเคยชนินไหมเริ่มอีกแล้วเริ่มทําใจลึ้มขึ้มขึ้น ม, มาอีกแล้วรู้สึกตัวไวเออไปแล้วไ ม, ไม่คิดเอารู้สึกตัวเอา เอออย่างนี้ไม่เหมือนกันนะดูออกไหมอันหนึ่มันหลงออกไป อ, อ, กอะไรนะดูเป็นบางครั้งก็ยังดีอย่างดูออกอดูไม่ออกสักครั้งเลยแย่เลยเนยะคุณเฉลิมพงศ์ก็ดีแล้วไม่เข้าไปละสังเกตไม่ใจเราไม่ค่อยเข้าไปข้างในรู้สึกไปเมื่อก่อนอาตมาปฏิบัติอยู่พักหนึ่งนะจิตมันก็เป็นอย่างคุณเฉลิมพงศ์เนี่ย เสรแล้วสงสัยจะดูข้างในดีหรือจะดูตัวนี้ดีคําอยู่ทั้งหลายทีเนะี่ยไม่ได้ถามครูบาอาจารย์แค่ไม่ได้เอาทั้งคู่่ะเพียงแต่ว่าเราจะเกิดปัญญารู้เลยว่าเมื่อไหร่เราส่งจิตเข้าไปนะความทุกข์ก็เกิดคุณเฉลิมพงรู้สึกไหมส่งเข้าไปเมื่อไหรทุกข์ก็เกิดวันนั้นเองเพราะนั้นใจก็จะไม่ส่งใจไม่ส่งออก เมื่อไรเกิดปัญญารู้ว่าความทุกข์เป็นยังไงความทุกข์เกิดจากอะไรเนี้ปัญหามันจะถูกละไปเองโดยอัตโนมัติครูบาอาจารย์หนึ่งสอนบอกว่ารู้ทุกข์นั่นแหละละสมุทยัยใจมันจะไม่ไหลเข้าไปโดยไม่ได้บังคับมันนี้พอเราจําสภาวะที่รู้สึกอยู่อย่างนี้ได้แล้วนบ่งทีก็คลาดเคลื่อนได้อีกเช่นพอมันจําได้ชํา น, นี้ชํนนานาญเนี้พอตื่นขึ้นมาปุ๊บนี่นะส่งจิตเข้ามาอยู่ตรงนี้เลย ถ้ส่งจิตมาไว้ตรงนี้อีกผิดอีกแล้วยังมีการทํางานขึ้นมาจิตจะพลิกไปทางอารูปนู่นเลยจะรู้สึกเหมือนโอ้ทั้งวันนี้นะแกมสาเบิกบานมันไม่เข้าไปทุกทีะเ้วิ ม, มพงษ์เนี่ยสมพงษ์ยังเข้านะเฉลิมพงษ์ไม่เข้าแล้สมพงษ์ยังเข้า <c oughs> <c oughs> เออไม่เอากาะความว่างก็ไม่เอา ใจไปเกาะอะไรรู้ทันมันใจลอยนะนี่ก็ใจลอยอคนล้วคิดมันทําไมให้ยุ่ง <c oughs> ดูออกไหมว่าทํ <c oughs> เาเรียนนะมาที่นี่เราเรียนตรงนี้ได้ก็ดีแล้วละ่ะกลับไปวัดก็ได้ไปทำสองเราได้ธรรมะมันไม่มีสํานักไม่มีสายไหนสายไหนหรอกอันเดียวกันทั้งหมดแหละ เปลือกอาจจะต่างๆกันนะรูปแบบต่างๆกัะนะ <_ d ata> เนื้อหามหมือนเดียวกันทำไงจะรู้สึกตัวได้เรารู้สึกตัวแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าความทุกข์เกิดเพราะว่าจิตเราลงไปยึดอารมณ์ถ้าจิตไม่ลงก็ไปยึดอารมณ์ความทุกข์ก็ไม่เกิดนี่พอชํานาญพอจิตมันไม่ไม่เข้าไปยึดนานๆเนี้เริ่มรู้เยอะไปบางทีปัญญาก็ล้าได้อีก รู้ว่าถ้าเข้าไปยึดแล้วความทุกข์จะเกิดด้วยจงใจประคองความรู้สึกตัวเอาไว้อย่าประคองนะคุณยายหลวงปประคองไว้ก็เป็นการไปผูกพันยึดไอ้ตัวนี้ไว้เดี๋ยวใจจะหลงเข้าไปทางสมาธิได้แต่ถ้าวันไหนเราปฏิบัติแล้วดูไม่รู้เรื่องก็ทําสมถะพอมีแรงแล้วมันก็ขึ้นมาได้ดีกว่า ม, มานั่งประคองในตัวรู้นี้ไว้ถ้าตัวรู้นี้ยังเสื่อม ของเสื่อมเสื่อมพงดูออกไหมเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวทำงานเ น, นี่ยมันจะเข้าไปส่งในร้ายกว่าส่งนอกส่งนอกดูง่ายเนี่ยหลงนี่ละดูออกไหมไม่หายหดอักเลยนกเป็นไงนก ก็ตับดีนะตัดเป็นธรรมะเขาจะบอกว่าจิตไม่เที่ยงนะ <c ười> คุณีิยดาเป็นไงกลับบ้านสามวันเป็นไงบ้างไม่ชอบไหมไม่ชอบไปบ้านนะมั้งเมื่อไรใจจะเท่ากันนะอยู่ที่บ้านกับอยู่ที่วัดแล้วใจเท่าๆกันอะไรเงี้ยแล้วมีความสุข อย่าถ้าเรารักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งนะโอ้ลาบากเลยเพราะว่าเราเลือกอารมณ์ไม่ได้มีอารมณ์ที่ไม่ชอบมาเราก็ไม่ชอบมันโอ้โ อ, โอไปซ่อนเพืไกลเลยนะเพิ่งเห็นนะนี้อยู่ที่วัดกันหรือไงไม่ได้อยู่บ้านบ้านสอนทีก็เข้าไปดีแล้วนะนะ <c oughs> อยู่ในสํานักครูบาอาจารย์ที่ดีก็ดี เออนะเออดีล้วเหนไมชับ ไ, ไม่ต้องพูดล้วแล้ใช้มองเอาก็ตื่น <c oughs> ไงทุกตาเป็นไงปฏิบัติได้ยัง <c oughs> เวลาเผลอรู้ไหมรู้ไวไหมเผลอเเออเอแล้วรู้ใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวอัอื่นก็รู้เองแหละเพราะไม่เผลอสักอย่างเดียวอย่างอื่นก็รู้ได้หมดเลย ถ้าเผลออย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่มีเหลื อ, อเลยล้วเผลอนี่เป็นหัวหน้ากิเลสโมหะความทุกข์ทางใจเนี่หรือกิเลสทั้งหลายนะี่เกิดตอนเผลอเท่านั้นถ้าไม่เผลอไม่ลงนะไม่ทุกข์หรอกทราบไหมว่าถลับลงไปดูมันนะ อ, อ่ะเพอาะอย่าไปดูมันสิไม่ง่ายจะตายไปไม่ไปยุ่งกับมันนะมันก็หลุดอยู่แล้วล่ะ ที่เข้าไปก่อนเนี่ยเราเข้าไปกเกาะมันเองต่งางหากคุณสุนันต์อันนี้ซ่อนลึกลับเลย <c oughs> แด้รู้แบบกลางๆนะอื <c oughs> เป็นผู้รู้เรียกไปก่อนว่าผู้รู้ก็ได้จริงๆไม่มีหรอกผู้ลุงผู้รู้อะไรมีแต่ธรรมชาติอหนึ่งที่ไปรู้อารมณ์ไม่มีจุดมีดวงเป็นดวงผู้รู้อะไรไม่ วิวเป็นไงวิวปฏิบัติรังตป่ะนะต้องถามพ่อทำไงดีลูกชายอกหักไม่เลิกเนี่ยพ่อบบอ ก, กรรมเนาะทำเองเนาะปองเป็นไงปไงองส่งกันบ้านไห ม, ม ดีแล้ ว, ว, ว อ, อ, อืมดีแล้วไเบ่อยๆถ้าไม่ไปติดสมาธิก็ไม่เป็นไรท่านก็พระดีนะดีจริงๆเลยองค์นึใจไม่ไหลเข้าไปเกาะ อ, อะไรเพลินไปแล้วรู้ไห ม, ออมรู้สึกไป ไม่เลิกทำเนอะขนะยับเอาขยับมือก็ได้กลับกันเมื่อไหร่กลับวันนี้รึเปล่าเมืองการที่เที่ยวมันไกลไปเป็นร้อยร้อยโลจังหวัดมันใหญ่ทราบไหมเราแข็งแข็งเราจงใจปฏิบัติทราบไหม เอาคุณผู้ชายหยับแล้วรูร้สึกตัวห้ามหนีเที่ยวเอาให้ได้นะวิชาหลวงพ่อเทียนดีนะอโยเป็นไงบ้างืงั้ น, นก็เบื่อเบื่ออยากอยากงั่นไม่เบื่อจริงเออ ถ้วเวาเบื่อจริงมันไม่เอาอีกเ mm hmm. นี่ยนะดูบิวนะเห็นใครพลาดพลั้งไม่ได้เลยมันก็นยิ้มยิงถ้าบ่อยพลาดพลั้งแล้วบิวดีใจทุกทีเลยแล้วบุ๊กไปไหนบุ๊กยังชอบเล่นเกมอยู่ไหม นะอตอนโทรศัพท์เสียเป็นภาวนาดีนะ น, นี่ยนะรู้สึจไปคือเวลาเราปฏิบัติธรรมเราต้องรู้เป้าหมายของมันนะรู้จุดมุ่งหมายอย่าไปทําตามยาถา ก, กรรมส่วนมากเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเรามีศรัทธาศรัทนะธาครูบาอาจารย์องนั้นองนี้ศรัทธาวิธีปฏิบัติสํานักนั้นสํานักนี้เราลงมือทํา ก็ทําไปเรื่อยๆเลยแล้วแต่อาจารย์จะสอนอะไรก็พากันทําไปถ้าคนไหนมีบุญวาสนาเจออาจารย์ดีก็รอดไปเจออาจารย์พาตกเหวไปก็เยอะมีการปฏิบัติทำเราต้องรู้จักจุดหมายปลายทา ง, งการปฏิบัติจุดหมายแรกของการปฏิบัติเนี่ยเรามุ่งที่จะเป็นพระโสดาบันให้ได้ะต้องตั้งเป้าอย่างนี้นะเดีย๋ยวเอาน้อยๆนะ อย่างน้อยต้องได้โสดาเนี่ยตั้งใจไว้อย่างนี้พระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเราคือละสักกายทิฏฐิได้ละความเห็นผิดว่าร่างกายกับจิตใจคือตัวเราได้สังเกตไหมในนี้มีเราอยู่คนนึงเราทั้งวันเลยเดก็เราอย่างงั้นเดี๋ยวก็เราอย่างนี้อันนี้ยพระโสดาบันไม่มีทําไมพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ากายกับจิตเป็นตัวเราได้ ท่านละความเห็นผิดได้เพราะท่านเห็นถูกนี่ทำยังไงจะเห็นถูกล่ะอยากเห็นถูกก็ต้องดูไปว่าของจริงเป็นยังไงอย่าไปนั่งคิดเอาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมาท่านแรกต้องรู้สึกตัวให้ได้อย่าใจลอยไปพอรู้สึกตัวแล้วก็คอยตามรู้กายตามรู้ใจไปนร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปมันนั่งอยู่นี่ก็รู้สึกถึงการนั่งของมันมันเคลื่อนไหวรู้สึกไป เราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันถูกความทุกข์บีบทั้นตลอดไปมันนั่งนิ่งๆไม่ได้มันเมื่อยเดี๋ยวก็ต้องขยับหนีความทุกข์หนีความเมื่อยไปอยู่เฉยๆไม่ได้เดี๋ยวมันก็หิวต้องไปกินแล้วพอหายหิวแล้วเดี๋ยวอีกสักพักก็หิวอีกแล้วแม่ร่างกายนี้แปรปรวนตลอดไปในทางจิตใจเดี๋ยวก็ฝุ่เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยให้เราตามรู้ไปตามที่เข้าเป็นอย่าไปบังคับอย่าไปดัดแปลง ให้รู้ตามความเป็นจริงถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงเราจะเห็นว่าจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเมื่อไรเห็นว่าร่างกายจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้นั่นแหละละความเห็นผิดว่ากายกับใจคือตัวเราบังคับได้ศัตรย์ทิถีเขาขาดไม่ว่าไม่ลงจิตอีกแล้วในทางศาสนาพุทธงั้นเราต้องตั้งเป้าให้ดีนะว่าเราจะละความเห็นผิด เกี่ยวกับกายใจว่ามันเป็นตัวเราของเราวิธีละความเห็นผิดมีอันเดียวคือเห็นให้ถูกจะไปคิดเอาไม่ได้ต้องเห็นจริงๆนี้เราจะเห็นกายเห็นใจได้ถ้าเราไม่ใจลอยถ้าเราใจลอยไปเราก็ลืมดูกายดูใจอย่างเราไปแอบคิดอะไรต่ออะไรเนี่ยเรารู้เรื่องที่เราคิดเราลืมกายลืมใจอย่างนี้ใช้ไม่ได้นี้พอเรารู้สึกตัวแล้วอย่าไปนั่งจ้องไว้ นั่งจ้องนั่งเพ่งเนี่ยจิตใจก็นิ่งนิ่งซึมซึมทื่อทไม่เห็นอะไรไเห็นแต่ความเฉยเฉยหนักหนักแน่นๆ่นไม่ได้เกิดปัญญาอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันทํางานไปแล้วตามรู้มันไปจะเห็นเลยว่าออี่าตาเราไปเห็นรูปเนี่ยตา ม, มองเห็นคนนี้เพื่อนรักเราเห็นแล้วใจมันดีใจขึ้นมาจิตมันดีใจขึ้นมารู้ว่ามันดีใจ ไปเห็นอีกคนหนึ่งเกลียดมันมากเลยเห็นโทสะเห็นความเกลียดเกิดขึ้นในใจนี่รู้ลงไปก็จะเห็นเลยความรู้สึกทั้งหลายนี่เกิดแล้วก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ผ่านไปความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวนะกุศลและอกุศลก็อยู่ชั่วคราวจะตามรู้ไปเรื่อยในที่สุดจะเข้าใจว่าจิตนี้เป็นของแปรปรวนเอาแน่นอนไม่ได้อนี้นละความเห็นผิดได้เราก็จะได้เป็นพระโสดา บ, บันเขาบ้าง เพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ใช่การนั่งเพ่งนั่งจ้องนั่งเพ่งนั่งจ้องไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริงมีการเข้าไปบังคับให้ใจนิ่งนิ่งแล้วก็นั่งเฝ้าวนิ่งอยู่อย่างนั้นกะว่าจะเกิดปัญญาไม่มีวันเกิดปัญญาหรอกเพราะว่ามันถูกบังคับถูกกดข่มให้นิ่งยิ่งปฏิบัตินานยิ่งนิ่งเก่งพอเริ่มลงมือปฏิบัติใจฟุ้งซ่านอย่นี้ดูปุ๊บเดียวเงียบแนละ้ว เราก็ภูมิใจว่าเราเก่งปฏิบัติเก่งขิเลสมาดูจึ๊กเดียวขาดเลยยิ่งปฏิบัติยิ่งหลงผิดนะแทนที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้กลายเป็นว่าบังคับเก่งขึ้นเรื่อยๆนั้นอย่าไปเริ่มต้นด้วยการไปบังคับมันให้ตามรู้ไปจิตใจเป็นยังไงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็รู้สึกตัว จะเฝ้ารู้ไปจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเห็นอย่างนี้นะ่ะจะละความเห็นผิดได้เพราะฉะนั้นศัตรูของการปฏิบัตินะศัตรูหมายเลขหนึ่งคือเผลอศัตรูหมายเลขสองคือนั่งเพ่งเอาไว้ให้มันนิ่งซึมสามวันสามคืนนะไม่เอาหน้าลงไปนอนแช่นั่นแหละนั่นเป็นศัตรูของการปฏิบัติทีเดียวแ่ละมีไหมเผลอเผลอก็ลืมกายลืมใจดูออกไหม ร่างกายเคลื่อนไหวก็ไม่รู้จิตใจเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะมันเผลอไปรู้แต่เรื่องที่คิดทำไรอยู่กับคุณธรรมราอีกหลายวันวเนนี้ <c oughs> ให้อาจารย์ควบคุมก็ <c oughs> คุมไม่ให้นิ่ง <c oughs> เอาไปทำงาน <c oughs> ให้ไปทำงานทา ขุดถนนอะไรเงี้ยนะเอาไปขุดถนนซะแล้วก็พอมันเหนื่อยอไม่ชอบเลยลำคาญเหง อ, อ, อลำคาญ ร, รู้ว่าลำคาญนะทำงานเนี่ยศัตรูหมายเลขสองดูออกหรือยังนะจำไว้นะตัวที่หนึ่งเลยศัตรูหมายเลขหนึ่งนะเผลอศัตรูหมายเลขสองก็เพ่งเอาไว้ เผลอไปเลยก็คือรู้กายรู้ใจไม่ได้เพ่งเอาไว้ก็นิ่งหมดเลยผิดความจริงไม่เผลอไม่เพงเ่เพงปล่อยให้เขาทำงานไปแล้วเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวก็สบเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเห็นอย่างนั้นดีนะดีกว่าดีตลอดดูมาสามวันสามคืนแล้วดีตลอดเลยนิ่งตลอดเลยนี่ผิดปกติเลยหนอยจับหลักได้แม่นหนึง ถ้าหลักแม่นแม่นเนนะเราทำง่ายจริงๆแล้วการปฏิบัติไม่ใช่ยากอะไรเลยให้รู้ทันจิตที่มันส่งไปส่งในตัวสำคัญตัวรายย้ายยิ่งกว่าส่งนอส่งไปปฏิบัติไม่อยากเรียกว่าศัตรูหมายเลขสามเพราะว่าเริ่มต้นมันก็ต้องทำอย่างนั้นก่อน ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนนะสุภาเป็นสมถะคือทําไปแล้วขมราคะได้นี่อย่างเราพิจาณาสุภาไปจิตใจเราสงบมารู้ว่าสงบนะแต่มาจิตใจไปกระทบอารมณ์อื่นเนี่ยจะเห็นว่าความสงบก็ดับไปเนี่ยตอมันตรงนี้เลยคือเวลาเราทําสมถะมาแล้วเนี่ยตอนที่จะต่อวิปัสสนานี่นะก็คือทําสมถะแล้วก็รู้จิตต่อเข้าไปเลยอย่าไปเว้นช่วง จ ร, จริงๆแล้วการทําสมสถะก็คือจิตสิกขาอย่างหนึ่งทําให้จิตเกิดความตั้งมั่นอย่างจิตของคนในโลกมันคลุกอยู่กับอารมณ์ตลอดเวลาเราก็ทําสมาธิให้จิตตั้งมั่นแทนที่จะมีร้อยอารมณ์พันอารมณ์กนะ็เหลืออารมณ์มันเดียวอย่างพีนาอสุภาอันเดียวเหลือจิตผู้รู้อันหนึ่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนี่พอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยต่อมาพอจิตเคลื่อนออกจากตรงนี้ไปทํางานอย่างอื่น เราจะเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นจะเห็นเลยทุกข์มันเกิดชัดนีคนในโลกเนี้จะคล้ายๆเขาเกิดอยู่ข้างกับบ่อน้ําเน่าอเงี้ยเกิดอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่แรกเลยได้กลิ่นอย่างนั้นมาตั้งแต่เกิดไม่เหม็นจิตใจของเราก็เหมือนกันเราอยู่กับกองทุกข์มาตั้งแต่เกิดเราไม่รู้สึกทุกข์เท่าไรหร่หรอกเพราะงั้นเราต้องตั้งหลักถอดถอนตัวเองขึ้นมาจากความทุกข์แค่ชั่วคราววิธีทําตัวเองให้หลุดจากความทุกข์ชั่วคราวมีสองอย่าง ถ้าสมถะยา น, นิกก็คือทาฌานทาสมาธิขึ้นมาให้ใจตั้งมั่นใจไม่ไหลลงไปต่อมาพอออกจากสมาธิอย่าเลิกนะให้รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยละจะรู้ว่าจิตพอเลื่บเคลื่อนไปทํางานความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาคล้ายๆเราออกมาจากไอ้ริมบ่อน้ำเน่าอ่ะเรากลับเข้าไปใหม่แล้วจะเหม็นกว่าเกา่าอีกวิธีหนึ่งก็คือทําความรู้สึกตัวขึ้นมาจิตเราไหลไปส่งในรู้ว่าส่งในพุ๊บมันจะหลุดขึ้นมาเลย พอรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยจิตจะมีสภาวะเหมือนกับคนที่ทำชานมาแล้วก็คือตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะนี่พอจิตตั้งมั่นชั่วขณะก็คือหลุดออกจากกองทุกข์ชั่วขณะพอมันไหลเข้าไปในกองทุกข์ใหม่ส่งเข้าข้างในไปทำงานใหม่มจะเห็นทุกข์ชัดเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิหรือจิตสิกขาเนี่ยจาเป็นถ้าจิตของเราไม่ตั้งมั่นจิตของเราไหลเคล้าอยู่กับอารมณ์ตลอดเวลานี้ จะเห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นทุกข์นี่เห็นไม่ได้หรอกจะรู้สึกว่าทุกข์บ้างสุขบ้างเลยเบื่อเบื่ออยากอยากนะไม่เบื่อจริงนะพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะแต่ถ้าจิตใจของเราตั้งมัน่นถอดถอนออกมาแล้วพอไหลไปทำงานกระทั่งไปมีความสุขนะั้นจะรู้เลยว่ามันส่วนเกินความสุขนั้นก็เป็นทุกข์อีกตัวหนึงเนื้อใจถึงจ ะ, จะยอมปล่อย เพราะนั้นสิ่งที่โยต้องทำนะคือรู้สึกตัวจิตที่ตั้งมั่นเกิดขึ้นมาวิธีทำจิตให้ตั้งมั่นของโยถ้าโยทำชานไม่ได้โยรู้ว่าจิตส่งในรู้ไหมตรงเนี้ยเพราะฉะัน้นส่งในแล้วโยรู้นะรู้เฉยๆนะอย่าทำอะไรอีกเพราะมันจะหลุดขึ้นมาเองเนี่ยมันส่งในรู้ไหมมันไหลไปในความคิดเนี่ยพอมันไหลไปปุบรีบรู้ทันมันพอรู้ทันมันจิตจะถอดออกมา ถอดถอนลงมาตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะอยู่ได้แวบเดียวเดี๋ยวก็ไหลใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่เอาทีละขณะทีละขณะรู้ขึ้นมาบ่อยๆแต่มาพอมันชนนี้ชํานาญเัี้ยถอดถอนทรงตัวได้ยาวแบบคุณเฉลิมพงถึงตรงนั้นปัญญาไม่กล้าแล้วใจมันเป็นกลางกับความปรุงแต่งนะเขาเห็นเลยว่ามันไหลเข้าไปนิดเดียวทุกเกิดขึ้นมา เนี่ยเข้าไปค้นกว้าแล้วดูออกไหมเนี่ยโยให้รู้ทันตรงนี้นะล้วใจไม่ได้รู้สึกตัวตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่รู้สึกตัวนัว่นแหละเป็นกลางกลางธรรมดาธรรมดาไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในหลงแล้วง่วงยังอืมง่วงนะถ้า ง, ง่วงก็ต้องยืนถ้ายืนตรงนี้เดี๋ยวหายง่วงนะ ก็นางง่วงน้านั่งรถทั้งคืนอะไรน่ะไงคุณเสื้อเขียวภาวนาเป็นไงเผอไปรู้ไหมนั่นไปแล้วเออสองอย่างอะไรนะเออนะมีอีกอย่างนะอีกอย่างคือเพ่ง เวลาลงมือปฏิบัติก็เอาใจไปจอนิ่งๆไว้คือจริงๆแล้วเผลอมีหลายระดับเผลอสุดขีดเลยนะคือเผลอใจลอยไปเลยคิดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าลืมกายลืมใจของตัวเองนี่เผลอสุดขีดเผลอระดับรองลงมาเนี่ยเผลอไปคิดไปรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจถ้ารองลงมาอีกก็คือตั้งท่าปฏิบัตินี่ก็เผลอเหมือนกันเผลอปฏิบัติทําเป็นคล้มๆอย่างเนี้ย ทำเป็นขลุมนี่ก็เผลอนะเผลอปฏิบตัติเสร็จแล้วพอปฏิบัติแล้วก็หาแนละ้วสัมรวมได้ที่แล้วก็เริ่มดูว่าจะดูอะไรดีเที่ยวแกว่งแกว่งอยู่ข้างในอ่ะเที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีไอ้นี่ยเผลอหาอีกแล้วหลงหาหนะลงแสวงหาแกว่งไปแกว่งมาจะเอเห็นได้นี่ละนั่งจ้องมันนี่เผลอจ้องอีกแล้วจ้องไปจ้องมาก็นึกขึ้นได้ไว่านี่กิเลสเนี่ยอยากละมันอีกแล้ว หรือจ้องไปจ้องมาเฮ้ตัวนี้ถ้าจะดีนะอยากรักษาอไนี่หลงทั้งสิ้นเลยนะเพราะงั้นหลงที่เห็นสองตัวนี้ก็เก่งแล้วนะต้องเห็นตัวที่สามนะตั้งใจปฏิบัติเดี๋ยวตัวอื่นก็ตามมาอีกนึกถึงตัวที่สามออกไหมตั้งใจปฏิบัติทำเป็นครึมๆทำาลึมนั่งดู น, นี่หลงอยู่นะ เห็นไหมมันไม่ยอมเลิกนี่นักปฏิบัตินะมาถึงตรงนี้ตายหมดเลยข้ามด่านนี้ยากนะแล้วเรากลัวว่าถ้าไม่ทําสํารวมแบบนี้แล้วไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็ทำํำเป็นขึ้มๆนั่งเฝ้ามันทั้งวันเลยบอกปฏิบัติทั้งวันความจริงลงทั้งวันนั่นแหละเอา้าคราวนี้เผลอหมายเลขกหนึ่งเห็นไหมไปเลยคิดอะไรก็ไม่รู้เลย ชาวแพร่ถ้าจะเรียนไม่ไหวมั้งวันนี้ถ้าทังง่วงแล้วนะ mm hmm. ชาวเชียงรายนี่ไม่น่าห่วงอาจารย์ดี mm hmm. คุณวุฒิมีอะไรไหมคุณวุฒิตุกตาล่ะถามอะไรไหม mm hmm. โอ้ถามง่ายจริงเนอะ mm hmm. รู้สึกบ่อยๆนะรู้สึกเรื่อยๆ พยายามจิตใจของเราเป็นยังไงคอยรู้ไว้มีความรู้สึกอะไรอ่ะก็รู้ไว้การดูจิตนี่มีหลายระดับนะเริ่มต้นเลยให้เรารู้ว่ามันรู้สึกอะไรอยู่มันรู้สึกสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้นะมันมีความโกรธก็รู้ความโลบก็รู้อะไรมันมีความรู้สึกอะไรให้รู้มันไว้ต่อมาพอเราชำนาญขึ้นมันจะไม่ดูแค่ความรู้สึกแล้วมันจะดูพฤติกรรมของจิตหลวงู่ดูเรียกว่าพฤติของจิต คือเราจะรู้เลยว่าเวลาจิตมันไปรู้ความทุกข์เข้าเนี่ยมันไม่ได้รู้เฉยๆหรอกมันเข้าไปผลักด้วยเวลามันไปเจอความสุขมันก็เข้าไปดึงเอาไว้ชอบชรู้ทันพฤติกรรมของมันบางทีจิตก็มีพฤติกรรมนี่วิ่งไปทางตาเดี๋ววิ่งไปทางหูวิ่งมาทางใจเอย่างเวลาเรานั่งฟังเนี่ยเดี๋ยวก็ใช้ตาดูเดี๋ยวใช้หูฟังเดี๋ยวใช้ใจคิดสลับไปสลับมา พอเรารู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตแล้วเนี่ยจิตจะหมดพฤติกรรมพอจิตหมดพฤติกรรมเนี่ยจิตจะรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างตอนเนี้ตั้งใจฟังทราบไหมนั่งรอว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อจะพูดต่อเนี่ยตั้งใจฟังรู้ว่าตั้งใจรู้ว่ารอเนี่ยหัดคอยรู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตใจไว้เรื่อยพฤติกรรมทางจิตนี่แหละเป็นตัวบงการพฤติกรรมทางกายและวาจา เนี่ย <Yeah. S 2> ใจลอยรู้ไหมหนีแวบบแวบบแวบบเราแว บ, บไปก็รู้ทันมันนะพอเราไปฏิบัติชำนี้ชํานานเนี่ยเรารู้ทันจิตตัวเองชำนี้ชํานานต่อไปเราก็รู้จิตคนอื่นได้ด้วยนะไอ้หนุ่มหน้าใสใสมันจะมันหลอกเราไม่ได้กินหรอกเน <Yeah. S 2> ี่ยดูดูผู้หวังดีเข้าหัวเราะเนี่ย <Yeah. S 2> มีผู้หวังดีหลายคน <laughs> มาไม้ไหนเราก็รู้ทำเป็นยิ้มยิ้มมานะใจกำลังกังวลนี่กลับบ้านผิดเวลาอนะไรเงหาคำแก้ตัวเห็นหน้าก็รู้ละมันเป็นศาสตร์ของผู้ปกครองนะผู้หญิงควรจะเรียนไหม่ อ, อยถ้าจะชอบก็บเป็นผู้ปกครอง ดีแล้วล่ะนะเมื่อก่อนมันก็ออกมาแต่เรานึกว่ามันเป็นแม่พระที่เราเข้าข้างตัวเองไงดีแล้วล่ะให้นังแม่มดออกมาเยอะๆแล้วคอยรู้มันนะมันจะอ่อนกำลังลงอืมถูกต้องอมื ก็ดูให้เร็วขึ้นถือศีลห้าไว้ก่อนมีศีลห้าป้องกันกายวาจาที่ผิดไว้ก่อนพอเรามีศีลแล้ตั้งใจไว้ก่อนเลยแล้วนะรักษากายวาจาไม่ให้ทุจริตเสร็จแล้วก็ทําจิตศิกขานทาความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ตามรู้ตามดูทั้งตัวปัญญาตามรู้ตามดูเราจะรู้โอ้อเปอร์เซ็นต์ของความร้ายกาจมีเท่านี้เปอร์เซ็นต์วัดได้เลยนะ เราวัดกิเลสตัวเองได้เลยว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ อ, อืมดีแล้วที่เห็นนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ของใหม่นะบางคนคิดว่าพอปฏิบัติแล้วร้ายกว่าเก่าไม่ใช่หรอกมันมีอยู่พวกหนึ่งก็คือแต่เดิมนี้เราขมไว้กดเอาไว้เก็บกดอะ่ะนี่พอเราไม่เก็บกดนะมันขึ้นมาเยอะเลยตกใจมันจริงของเดิมแล้วอือ ทีมนี้ง่วงละทีมแพ้เนะลำบากหนูนาเป็นไงหนูนาหมูนี่ฝึกดีขึ้นนี่เนาะ้อ ใ, ใจอีกแล้วโอ้ค่น้ย เมื่อก่อนจะมาอยู่วัดเนี่ยอามไปอยู่ที่สำนักสงฆ์บุญญาวาดวันหนึ่งพักพวกมาบอกว่าตอนนี้อามไปทําสวนท้อแล้วไม่อยู่วัดหน <c oughs> ูพ่อห้าว <c oughs> ไปทําสวนแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> คือปฏิบัตินะมึงช่วมึงก็ท้อแต่จับหลักไว้แม่แม่นท้อก็ปฏิบัตินะดีก็ปฏิบัติท้อก็ปฏิบัติดูลูกเดียวพวกปัญญาชนเนี่ยถูกความเบื่อ มันหลอกบางทีดูไว้ก็เบื่อเบื่ออย่างหนึ่งความสงสัยนี่หลอกเก่ง <Yeah. S 1> ความท้อนั้นมีทีไม่เป็นไรให้ท้อสักบ้างก็ดีจะได้ไม่มีแรงดิน้น mm hmm. พอท้อเนี่ยนะหนุนนาเลิกคิดเรื่องปฏิบัติเลยแมวแล้วหมดแรงแล้วต่อไปนี้ไม่ปฏิบัติแล้ว <Yeah. S 1> แล้วก็รู้ไปความรู้สึกในใจเป็นยังไงรู้ไปเลยมีคนได้ดีเพราะท้อมาหลายคนแล้วนะออ mm hmm. mm hmm. มีเยอะเลยที่มีเคสตัวอย่างเยอะมากเลยเจ้าบิ๊กก็คนนึงแหละใช่ไหมเจ้าบิ๊กอกหักนี่ประจารยนข้ขวาวผัวนี้นี่พ่ออามาเองนีบิ๊กมันอกหกักวันวันนี้ใจมันจะวิ่งไปคิดถึงเขาตลอดเลยมันวิ่งไปถึงสาวบางทีก็แค้นแค้นมากโกรธบางทีก็วิ่งไปเป็นห่วงเขาโถฝานนี้จะเป็นยังไงเนาะ ยงจะกัดหรือเปล่าเอยิ่งไปห่วง้กลุ้มใจเดี๋ยวก็เสียใจนะเดี๋ยวกลุ้มคลั่งทั้งรักทั้งแค้นเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็แค้นแล้วปิ๊กมันก็พยายามภาวนานจิตมันก็ไม่หายจนกระทั่งมันท้อใจแก้ไม่ได้แล้วจิตเนี้ยหมดกำลังหมดแรงพอบอกว่าแก้ไขไม่ได้เนี่ยเลิกแล้วเลิกดิ้นรนแล้วก็รู้ลงไปเฉ ย, เฉย การภาวนา ง, ง่ายนิดเดียวแค่นี้เองคนไหนปฏิบัติจนท้อแล้วก็อย่าเพิ่งเลิกนะท้อแล้วก็รู้ว่าท้อไปจะรู้เลยว่าถ้าใจเราท้อจอนถึงขีดสุดนะไม่คิดจะปฏิบัติอีกอะถ้ารู้สภาวะเข้าไปตรงนั้นจะปฏิบัติเป็เลยคนไหนแรงเยอะก็ท้อช้านะช้ามากๆ ก, ก็ทุกนานมีเคสเยอะเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้เห็นเยอะ โยมคนไหนแรงเยอะๆนั้นด็อกเตอร์มาเนี่หูแรงเยอะท้อช้าหน่อยพวกนี้สู้ตายพวกไม่รู้เรื่องเลยอย่างคุณแต้วนี่ทางลู้สึกคุณตรีวุฒิคุณธรมราเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะบอกให้รู้ความรู้สึกไปก็รู้ไปเลยเยพัฒน า, นาง่ายมากเลย <laughs> แล้วพอคนไปถามว่าปฏิบัติไงฉันไม่รู้หรอกฉันไม่ได้ทำอะไรเลย ะถ้าจะมาถามพวกเราดิทายังไงบ้างว่าทําอย่างนี้สิกำหนดอย่างงี้โอ้จิตไปวางตรงนั้นแล้วนะเจออันนี้แก้อีกนี้โอ้โหมันถึงไม่หายโง่มันเก่งเกินนะอีกคนหนึ่งบอกฉันไม่รู้เรื่องเลยฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะมันรู้สึกไงฉันก็รู้ไปแค่นั้นอ่ะโอ้พวกนี้กับภาวนาเก่งบางคนพอได้ยินตรงนี้นะมันก็ พูดต่อไปในใจได้อ๋อศาสนาพุทนี้เหมาะกับคนโง่ๆเท่านั้นเพราะเราจีนเนียยเรียนยากง่ายป๋องเลยิกงปฏิบัติเองปฏิบัติถูกง่ายกาปฏิบัติเนานูเยอะรู้สึกเอปฏิบัติเออรู้เยอะรู้มากยากนานใช่ไหยคนโบราณสอนดี รู้มากก็ยากนานที่ทำอย่างนี้ถ้าจะดีนะลงมือทำไปมันก็ผิดสิเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำาต่สอนให้รู้หรือทำอย่างนี้ดูนะ่ะก็ผิดอีกแหละทำอะไรก็ผิดหมดแหละทำอย่างนี้ก็ผิดนะอพอจะดูออกไหมว่าเราทานะเออไปจัดการตรงนี้นะเวลาใจลงไปแชร่รีบรู้ไวๆนะแค่นั้นพอละอ่ะพอยัง <laughs> เอาใครมีอะไรอะ่ะให้หนึ่งคำถามบอยอ่ะบอยไม่มีอะไรสสใจแล้วรู้ลูกเดียว <c oughs> อะไรนะเออเนาะไม่ต้องตอบแล้วธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการถามเอาเรียนด้วยการรู้เอารู้สึกเอา รู้ทันความรู้สึกของตัวเองก่อนต่อมาก็รู้ทันพฤติกรรมของจิตใจออเมื่อนะเรเนรูนงง้เออกิดความเข้าใจบางอย่างม่เราจะไปำได้แ่นนเราจะเอามาใชืใช้ไม่ได้หรออืมอืมเพราะกิเลสมันมีพัฒนาการอายานนี้เคยใช้แล้ว <ส ify S 2> ไม่ได้ผลอ่ะใช้ได้สองสามทีอย่างมากเดี <c oughs> ๋ยวก็ใช้ไม่ได้อีก เพราะนั้นจับหลักให้แม่นอย่าไปเรียนวิธีแก้เพราะงั้นถ้าป๋องเรียนวิธีแก้อากาอาการอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้วันหลังก็มันเกิดอย่างนั้นจะใช้อากาอาการอย่างนั้นเกิดจะใช้วิธีเดิมแก้ไม่ออกหรอกเราะั้นต้องจับหลักให้แม่นหลักก็คือทุกข์นะให้รู้สมุทัยให้ละการตามการรู้ทุกข์ก็คือรู้กายรู้ใจวิธีรู้ให้ตามรู้เอา เขาเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ดักไว้ก่อนก่อนจะรู้ไม่ตั้งท่าระหว่างรู้ก็ไม่ถลำลงไปเพ่งใส่รู้แล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแสงนี่ถึงจะเรียกว่ารู้เป็นถ้าตามรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเรียนอุบายเป็นไงบ้างอย่าให้มันเบาหวิ่นะเบาวิวไม่ดีเอาธรรมดา อืมมเออเออนั่นแหละมให้มันเปิดอย่างนั้นแหละเออดีอย่าไปกดเอาไว้นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดอ่ะนั่งบังคับตัวเอง นั่งบังคับใจนะไม่เอานะเนี่ยทูดคนนี้ด้วย <c oughs> นี่ก็อย่าใจรอยนัด น, นะอย่าแต่คิดเอารู้เรื่อยๆรื่อยรู้บ่อย